วันเสาร์นี้เราเรียนอชิตามานวกักะปัญหาปัญหาของอชิตามานพที่มาถามพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคก็ได้ตอบคําถามซึ่งเราก็เรียนไปแล้วสองคาถาด้วยกันถามสองคาถาแล้วก็ตอบสองคาถาคําถ า, ถามชุดแรกก็ถามเกี่ยวกับ ความรู้เรื่องโลกทั่วๆไปความรู้ชนิดที่ครอบคลุมหรือว่าความรู้แบบรู้อย่างครอบคลุมโลกถามว่าโลกอันอไดหนอหุ่มห่อเอาไว้ต่อว่าโลกอันอวิชาหุ่มห่ อ, อไว้โลกย่อมไม่ปรากฏแจ่มแจ้งย่อมไม่แจ่มชัดขึ้นมาเพราะอะไร โลกย่อมไม่ปรากฏแจมแจ้งขึ้นมาก็เพราะความตรณีหวงแหนเพราะความประมาทพระองค์กล่าวอะไรว่าเป็นเครื่องฉาบทาโลกเอาไว้ก็ตอบว่าเรากล่าวตันหาว่าเป็นเครื่องฉาบทาโลกเอาไว้อะไรเป็นภัยใหญ่ของโลกนั้นตอบว่าทุกเป็นภัยใหญ่ของโลกนั้น นี่ก็คาถาที่หนึ่งนะครับเป็นคำถามแบบครอบคลุมหรือว่าให้เห็นความจริงของโลกทีนี้ก็ใกล้ลงมาพูดถึงเราทั้งหลายสำหรับการประพฤติปฏิบัติหรือว่าการฝึกฝนที่จะไม่ไหลไปตามกระแสของทางโลกแล้ว ก, ก็การถอดถอนทำลายโลกอยู่เหนือโลกได้นั้นทำยังไงบ้าง เขาก็ถามว่ากระแสทั้งหลายนี้ไหลไปในอารมณ์ทุกๆชนิดในอารมณ์ทั้งปวงอะไรเป็นเครื่องกั้นกระแสทั้งหลายเหล่านั้นพระองค์ตรัสอะไรว่าเป็นเครื่องปิดกั้นกระแสทั้งหลายเหล่านั้นและกระแสเหล่านั้นถอนได้ด้วยอะไรทําลายได้ด้วยอะไรพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่า สตินั่นะเป็นเครื่องกั้นกระแสทั้งหลายในโลกพระองค์กล่าวสติว่าเป็นสังวรเป็นเครื่องปิดกั้นกระแสทั้งหลายกระแสทั้งหลายเหล่านั้นถอนได้หรือว่าทำลายได้ด้วยปัญญานะครับจะทำลายกระแสนะก็ด้วยปัญญาที่จะไม่หลงวนเวียนไปตามโลกด้วยปัญญาคือการเข้าใจโลกไม่ใช่ไปปฏิเสธโลก ที่เราจะทิ้งคนนั้นคนนี้ได้ทิ้งศัตรูเราได้ไม่ใช่เพราะว่าเรายังเห็นว่าเขาเป็นศัตรูไปผลักใสยเขาไม่ใช่ว่าเอาเขาไปโยนทิ้งเอาเขาไปจับติดคุกไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าจะทิ้งเขาไปได้เพราะรู้จักเขาตามที่มันเป็นจริงแล้วก็ไม่หลงไปติดข้องโดยความอาฆาตพยาบาทโดยความติดข้องอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็จะทิ้งกันไปได้จริง เมือนเราจะทิ้งสามีก็ไม่ใช่ไปหลงเพลิดเพลินยินดีกับเขาหรือว่าหลงยินร้ายกับเขาผลักใส่เขาอย่างนี้มันทิ้งกันไม่ได้จริงชาตินี้ทิ้งไปแล้วชาติต่อไปวันดีคืนดีก็โผล่มาใหม่อีกแล้วนะอย่างนี้ก็วนเวียนไปวนเวียนมาเรื่อยๆดูรูปแบบภายนอกเราอาจจะทิ้งกันหรือว่าอยู่ด้วยกันก็ตามแต่แต่ภายในใจนั้นต้องรู้จักตามที่เป็นจริงจึงจะทิ้งกันได้จริงๆไม่หลงติดข้อง จะทิ้งโลกนี้อาศัยการเข้าใจโลกที่เรายัางอยู่ในโลกวนเวียนไปวนเมียนมาก็เพราะติดข้องติดข้องอยู่ในโลกที่ออกจากโลกไม่ได้ก็เพราะมัวไปผลักใส่โลกอยู่ไม่ชอบมันอย่างนี้นะฉะนันต้องรู้จักมันตามที่เป็นจริงจึงจะพ้นไปได้คือมีปัญญานั่นเองนะครับจึงจะถอดถอนได้ทําลายได้ ซึ่งในที่นี้พระองค์ก็ตรัสถึงข้อปฏิบัติอยู่2 อ, อย่างด้วยกันคือสติกับปัญญาซึ่งก็ครอบคลุมทั้งหมดแล้วในธรรมะเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติทั้งหมดในพระพุทธศาสนาเพียงแต่ในปัญหานี้พระองค์กล่าวถึงสองอย่างคือสติกับปัญญาในที่อื่นๆก็กล่าวอย่างอื่นไปแล้วแต่นะครับเวลาพูดถึงธรรมะในการปฏิบัตินะจะพูดถึงหมวดไหนก็ได้จริงๆก็เป็นหมวดเดียวกัน เพราะว่าธรรมะในพระพุทธศาสนาเชื่อมโยงกันอยู่หรือว่าเป็นหนึ่งเดียวกันนั่นเองเพียงแต่เรียกชื่อขยายความจับมาเรียกชื่อจับมาเรียบเรียงแตกต่างกันไปจริงๆประตูที่จะเปิดไปสู่พระนิพพานก็คืออริยมรรคมีองค์8มันเกิดขึ้นมันสมบูรณ์ขึ้นอันนี้นี้เวลาพูดแบบ8ก็อริยมรรคมีองค์8พูดแบบสองก็ได้ สติกับปัญญาอย่างนี้ก็ได้ก็อันเดียวกันนี่แหละนะการฝึกฝนให้มีสติมีสัมปชัญญะก็จะได้องค์ของศีลของสมาธิฝึกฝนให้เกิดปัญญาก็ได้องค์ของปัญญามามันก็สมบูรณ์ไปตามลำดับอย่างนี้พูดแบบสองอย่างนี้ก็ได้สติปัญญาพูดแบบสองอีกอย่างหนึ่งก็ได้สมถะกับวิปัสสนามันไม่ได้แยกกันไปไหนหรอกมันก็ฝึกฝนไปด้วยกันนี่แหละจะพูดแบบสองก็ได้ แบบสองแบบไหนล่ะแบบสองแบบสติปัญญาก็ได้แบบสองแบบสมถาวิปัสสนาก็ได้พูดแบบสามก็ได้แบบสามก็ไตรสิกขาที่เรานิยมพูดกันศีลสมาธิปัญญาก็เป็นเรื่องเดียวกันพูดแบบให้เยอะขึ้นไปอีกหน่อยก็ได้เป็นวิชาจารณะอย่างนี้ก็ได้นี่ก็เริ่มเยอะแล้วนะวิชาก็สามจารณะก็สิบห้านี่ได้เยอะแล้วนะ ก็เป็นอันเดียวกันนี่แหละถ้าอยากได้เยอะกว่านั้นก็พูดให้เยอะๆกว่านั้นขึ้นไปอีกก็ได้เป็นสามสิบเจ็ดอย่างโพที่ปักกิจธรรมสาสิบเจดอย่างนี้ก็ได้นะครับจะพูดกี่หมวดกี่หมวดก็ได้นะจะพูดกี่อย่างก็ได้เป็นเรื่องเดียวกันนั้นแหละเพียงแต่จับมาเรียกชื่อหรือว่าจับมาขยายความแตกต่างกันไปตามแต่บุคคล น, นั้นจะเข้าใจได้นะครับทีนี้เวลาเราเรียนที่หลังเราก็ พูดง่ายๆคืออาจจะโชคดีหรือโชคร้ายก็ไม่รู้แหละพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นคนเลือกให้ท่านแสดงกับคนนี้อย่างนี้แสดงกับคนนี้อย่างนี้แสดงอย่างนี้อย่างนี้ท่านก็แสดงวิธีการฝึกฝนให้เกิดอริยมรรคนั่นแหละจะได้รู้อริยสัจสักทีหนึง่งจะได้รู้ว่านี้ทุกนี้ทุกขะสมุ ท, ทยัยนี้ทุกขะนิโรธะนี้ทุกขะนิโรธาคามิหนีปฏิปทาจะได้เกิดปัญญารู้อย่างนี้นะท่านก็แสดงไปหลากหลาย ทีนี้เวลาเรามาเรียนทีหลังเราก็เอาของท่านที่หลากหลายนั้นมาเรียนทั้งหมดซึ่งก็เป็นเรื่องเดียวกันนั่นเองแต่บางคนนั้นไม่เข้าใจก็จับไปเป็นต่างเรื่องต่างราวกันไปอธิบายรายละเอียดกันละเนละนาดไปหมดแล้วก็ทําไม่เป็นทําไม่ถูกไปเรื่อยนะอย่างนี้ก็คือมันหลากหลายเกินไปนั่นแสดงว่าเรายังไม่เข้าใจธรรมะบางคนก็ยังไปจับ สมถาวิปัสนาแยกกันอยู่สมถะก็ไปทำอย่างนูน้นอย่างนี้วิปัสนาก็แยกไปต่างหากไปแต่ที่จริงพระพุทธเจ้าท่านว่าสมถะภาวนานี้สมถะภาวนากับวิปัสนาภาวนาสองอย่างเนี้เป็นธรรมะที่ควรเจริญคู่กันไปเป็นภาเวตัพะธรรมธรรมะคู่ธรรมะยุคนัตธรรมธรรมะคู่เจริญคู่กันไปก็คือทำให้มันสมบูรณ์ทั้ง2องอันนั้นแหละ เพียงแต่ว่าจะมากจะน้อยหรือว่ากำลังของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอยู่ที่ความแตกต่างกันของบุคคลเนี่ยนะเวลาเราพูดถึงธรรมะนะครับจะพูดกี่หมวดก็ได้จะพูดกี่อย่างก็ได้อย่างนี้นะทีนี้เวลาพูดถึงสิ่งที่ปัญญาไปรู้เข้าในตอนนี้พูดถึงวิธีการฝึกฝนให้เกิดปัญญาให้เกิดอรอยิยมรรคก็พูดได้หลากหลายแบบพูดแบบ8ดก็ได้ อริยมรรคมีองค์แปดพูดแบบสองสติปัญญาสมถาะาวิปัสนาพูดแบบ 3, สมศีลสมาธิปัญญาพูดแบบเยอะขึ้นไปกว่า น, นั้นวิชาจารณะพูดแบบเยอะ37ก็ได้โพธิปัจิกิยธรรม37อันนี้เป็นการฝึกฝนทีนี้เมื่อฝึกฝนแล้วเกิดปัญญาปัญญาไปเห็นอะไรเข้าก็แยกแยะพูดหลากหลายแนว แล้วแต่จะพูดพูดแบบขันก็ได้พูดแบบอาญตนะพูดแบบธาตุพูดแบบการเห็นอริยสัจจะพูดแบบปฏิจจสมุปบาทกี่นานกี่ไหนก็ได้อย่างนี้นะครับอ่าถ้าเราเข้าใจธรรมะแล้วก็จะรู้ว่าโอ้แท้ที่จริงก็เป็นเรื่องเดียวกันนั่นเองนะครับถ้าเราจะเรียนให้เยอะก็เรียนให้พอรู้ว่าโอแท้ที่จริงเป็นเรื่องเดียวกันจะได้ไม่งงมากแล้วก็จะได้ไม่เอาเยอะเพราะว่ามันเอาไม่ไหว นะธรรมะนี่ถ้าจะเรียนเพื่อจะเอานะมันไม่ไหวหรอกเพราะว่ามันตายไปซะก่อนมันก็เรียนไม่จบนะเพราะว่าเราสติปัญญามันไม่พอนะครับฉะนั้นเรียนเพื่อฝึกฝนตนเองให้เอาความเข้าใจผิดเอาความยึดมั่นถือมั่นออกเท่านั้นแนะ่ะจะดีที่สุดไม่ใช่เรียนเพื่อเอาเข้ามานะเรียนเพื่อเอาออกดีที่สุดนะครับแต่โดยส่วนใหญ่รู้สึกเราจะเรียนเพื่อเอาเข้ามามันเลย ย, ย, ยึกยักยึกยักกันอยู่ตัวเองข้างในเนี่ยมีอะไรก็ไม่รู้จะเอาธรรมะเข้ามาชักจะไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่ยึกยักกันไปยึกยักกันมาวนไปวนมาอันนี้เพราะว่าเราตั้งวัตถุประสงค์มันผิดพลาดอยู่แต่ที่จริงเขาเรียนเพื่อเอาออกเอาความเห็นผิดนั้นออกฟังเรื่องสัมมาทิฏฐิเพื่อเอามิจฉาทิฏฐินั้นออกฟังเรื่องความจริงความยึดมั่นถือมั่นความจริงของโลกเพื่อฝึกฝนให้เกิดปัญญาอย่างนั้นเพื่อเอาความยึดมั่นถือมั่นออก นี่อย่างนี้นะเราต้องเข้าใจการปฏิบัติธรรมนะไม่ใช่ฝึกฝนเพื่อเอาความสุขอย่างโน้นอย่างนี้หรอกเพื่อรู้ทุกข์แล้วก็ทําให้สิ้นไปแห่งทุกข์ทาให้ทุกข์มันหมดไปนะครับมันคนละแบบกันนะนาการประพฤติพรหมจรรย์นี้เพื่อความสิ้นไปแห่งทุกข์โดยชอบไม่ใช่เพื่อเอาความสุข แต่เราส่วนใหญ่จะตรงข้ามอยู่มันก็เลยพูดกันคนละเรื่องทุกทีนะเหมือนเข้าใจก็เลยไม่ยอมเข้าใจสักทีมันวนไปวนมาอยู่อย่างนี้แหละนะครับาบางครั้งก็วนจนหัวหมุนไปแล้วนะวนบ่อยๆเดี๋ยวก็เข้าใจต่อไปอชิตตมานุก็จะถามต่อไปอีกหลังจากรู้เรื่องโลกแล้วรู้จากการฝึกฝนเพื่อให้เกิดสติเกิดปัญญา เกิดสมถะวิปัสนาเกิดใจศิกษาเกิดอริยมรรคเพื่อรู้ความจริงของโลกและทีนี้เมื่อไหรเราจะถึงที่สุดของโลกเมื่อไรจะไม่มีต่อไปอีกอะไรทําให้ถึงความไม่มีสิ่งเหล่านี้นะไม่มีนามไม่มีรูปไม่มีโลกไม่มีสติไม่มีปัญญาต่อไปอีกเขาก็ถามต่อไปนะคําถามก็ลึกซึ้งไปเรื่อยๆนะครับคำถามแรกๆก็กล่าวถึงความจริงทั่วไปของโลก แล้วอันที่สองก็การที่เราจะไม่หลงไปตามโลกแล้วก็เข้าใจความจริงของโลกอยู่เหนือโลกทำยังไงต่อไปการจะไม่มีโลกอีกไม่มีนามไม่มีรูปไม่ต้องมีสติปัญญาต่อไปอีกทำยังไงอะไรเป็นที่ดับของสิ่งเหล่านั้นเป็นที่ไม่มีนะครับอันต่อไปก็จะพูดถึงพระนิพพานนั่นเองซึ่งเราคงจะได้ยินกันอยู่บ่อยๆนะ ในบาลีข้อหนึ่งาอชิตามานพก็ถามว่าปัญญาเจวะสติจาปินามรูปัญจามาริสะเอตัมเมปุถโผปปรูหิกัเตเถตาอุปรุชติข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์มาริสะนะนะเป็นคำที่อชิตามานพบเขาเรียกพระพุทธเจ้าว่ามาริสะ ข้าแต่ท่านผู้นิรทุกข์ปัญญาก็ดีสติก็ดีนามรูปก็ดีธรรมะทั้งหมดเหล่านั้นย่อมดับไปในที่ไหนย่อมเข้าหมดไปในที่ไหนกัดเถตังอุปรุชติธรรมะทั้งหมดเหล่านั้นที่ถามมาเนี่ยนะก็คือปัญญาก็ดีปัญญาเจวะสติจาปิสติก็ดี นามรูปัญจะและนามรูปก็ดีย่อมดับไปทั้งหมดในที่ไหนเอตัมเมปุตโธปะพุหิพระองค์อันข้าพระองค์ถามแล้วซึ่งปัญหานั้นขอจงโปรดตรัส บ, บอกเถิดนะครับเราฝึกฝนให้มีสติมีปัญญาไม่ใช่เพื่อเอาสติไม่ใช่เพื่อเอาปัญญานะเนี่ยเขาถามต่อไปอหลังจากฝึกฝนสติปัญญาแล้ว ให้สติปัญญาแล้วก็นามรูปที่บอกว่าเป็นโลกเนี่ยมันดับไปในที่ไหนล่ะมันจะหมดไปจะสิ้นสุดกันในที่ไหนเราฝึกฝนให้มีสติไม่ใช่เพื่อเอาสตินะการเอาการมีสตินี้เราพูดในแง่ของการเปรียบเทียบทางโลกเฉยอย่างทางโลกนี่ยถ้าพูดถึงว่าอ้าวเรายังไม่มีสติก็ฝึกให้มันมีสติยังไม่มีศีลก็ฝึกให้มีศีลไม่มีสมาธิก็ฝึกให้มันมีสมาธิไม่มีปัญญาก็ฝึกให้มันมีปัญญา แต่ไม่ใช่เพื่อเอาศีลเพื่อเอาสมาธิเอาปัญญาสิ่งเหล่านี้เป็นทางข้ามเท่านั้นเองเป็นแพท่านอุปมาเหมือนกับว่าเวลาเราจะข้ามแม่น้ําข้ามไปฝั่งโน้นอาศัยแพข้ามไปพายอยู่บนแพรแล้วก็พายข้ามไปพอถึงฝั่งโน้นเอาแพรไหมไม่เอานะมีแพรขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่เพื่อจะเอาแพรแต่เพื่อข้ามไปฝั่งโน้น นะอย่างนี้ก็เหมือนกันเราฝึกฝนสติปัญญาฝึกฝนไตรศิกขาหรือว่าโพธิปักิกิยธรรมทั้ง37ดอู้ดูเยอะแยะมากมายไม่ใช่เพื่อเอาธรรมะเหล่านี้นะเพื่อข้ามไปถึงฝั่งโน้นพอข้ามไปแล้วก็ไม่ได้เอาแผ่อีกไม่ได้เอาแผ่ไว้แบกบโกโกว่าอู้ฉันมีสติมีปัญญามีศีลสมาธิปัญญาไม่ใช่อย่างนั้นนะคนละแบบกันเลยนะครับ า ก, การฝึกฝนเนี่ยเพื่อรู้ความจริงของนามของรูปและรู้ความจริงของสิ่งที่ฝึกฝนขึ้นมาด้วยเพราะว่าแม้แต่สติก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของโลกแต่ว่าเป็นโลกในส่วนที่ฝึกฝนแล้วทําให้เข้าใจความจริงให้กั้นกระแสได้นะเพื่อเข้าใจความจริงของสติด้วยว่าโอ้สติเนี่ยสามารถกั้นกระแสได้ถ้าไม่มีสติ ก็กั้นกระแสไม่ได้เข้าใจความจริงของกระแสทางโลกเข้าใจความจริงของสติสติก็เป็นของไม่เที่ยงบังคับไม่ได้ด้วยเนี่ยเข้าใจความจริงของสติฝึกฝนให้เกิดปัญญาเพื่อเข้าใจความจริงของสิ่งที่ปัญญาไปรู้เข้าด้วยเข้าใจกระทั่งตัวปัญญาด้วยปัญญาทําให้เราเข้าใจความจริงเข้าใจความจริงของนามของรูปและตัวปัญญาเองมันก็มีความจริงของมันอยู่คือมันก็เป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่สามารถบังคับบัญชาได้เหมือนกันฉะนั้นเวลาเขาปล่อยวางเขาก็ปล่อยวางทั้งสติทั้งปัญญาและนามรูปอื่นๆทั้งหมดทั้งมวลเห็นความเป็นของเสมอกันของทุกสิ่งทุกอย่างนะครับไม่ใช่ฝึกปัญญาเพื่อเอาปัญญาหรือว่าอย่างเวลาเราฝึกฝนตอนแรกๆจะรู้สึกว่าเวลามีสติเราก็ดีใจอันนี้ก็ยังไม่ไปถึงไหนหรอกอย่างนี้นะนะยังไปไม่ถึงไหนก็ยังดีกว่าไม่ได้ไปนะ นี่พูดทางแบบการเดินทางนะแต่จริงๆเราไม่ได้เดินทางไปไหนหรอกตอนแรกๆจะเหมือนกับเดินทางาฝึกมีสติก็รู้สึกดีพอหลงลืมก็อุยไม่น่าหลงเลยไม่ดีเลยโอ้วันนี้สติดีดีจังเลยโอ้วันนี้หลงทั้งวันไม่ค่อยดีเลยอันนี้เราพูดในแง่เปรียบเทียบทางโลกนะครับก็พอใช้ได้ผลในแง่ของทางโลกด้วยว่าเตือนตอนเองให้ไม่ประมาทก็ใช้ได้แต่ในทางธรรมะแล้ว ทั้งหลงไปทั้งมีสตินี้เท่าเทียมกันโดยความเป็นของไม่เที่ยงโดยความเป็นของไม่คงทนโดยความเป็นของบังคับไม่ได้หลงก็หลงไปมีสติก็มีไปมีปัญญาก็มีไม่มีก็ไม่มีเป็นเรื่องธรรมดาแต่ต้องมีปัญญาก่อนเอาละทีเนี้ยมีสติก็ได้ไม่มีสติก็ได้แต่ต้องมีสติก่อนเออเอาละทีนี้งงแล้วทีนี้อ่านะ มีสติก็ไม่เป็นไรไม่มีสติก็ไม่เป็นไรแต่ต้องมีสติก่อนเนี่ยนะมีปัญญาก็ไม่เป็นไรไม่มีปัญญาก็ไม่เป็นไรแต่ต้องมีปัญญาก่อนเอาละทีนี้นะฉะนั้นก็ไปฝึกให้มีสติมีปัญญาก็แล้วการสรุปแล้วอันนั้นมันอาจจะพูดไปแล้วไม่เข้าใจกันแล้วก็ไม่เป็นไรนะ ฝึกให้มีศีลมีสมาธิมีปัญญาไม่ใช่เพื่อเอาศีลไม่ใช่เพื่อเอาสมาธิไม่ใช่เพื่อเอาปัญญาแต่ต้องมีศีลต้องมีสมาธิมีปัญญานะอย่างนี้นะครับมีปัญญาก็ไม่เป็นไรไม่มีปัญญาก็ไม่เป็นไรแต่ต้องมีปัญญาซะก่อนนี่พอเข้าใจหมเออนะเหมือนเข้าใจเลยนะฉะนั้นเข้าใจก็ให้รู้ว่าเข้าใจสักหน่อยความเข้าใจมันจะดับไป แล้วเาก็จะรู้ว่าโอ้สักหน่อยก็งงใหม่มันเดิมแหละสักหน่อยก็เข้าใจใหม่แล้วก็งงใหม่เข้าใจใหม่แล้วก็งงใหม่อยู่ดีแหละเป็นเรื่องธรรมดาเพราะปัญญามันเป็นของไม่เที่ยงถ้าเรายังจ้องจะเอาปัญญาอยู่อันนี้ก็คงจะไม่เจริญงอกงามไปแล้วเพราะว่าจ้องจะเอาอยู่ปัญญามันเที่ยงไหมไม่เที่ยงเหมือนท่านมาฟังผมท่านก็ฟังเข้าใจท่านกาจะสงสัยกลับไปบ้านเอ๊ะทําไมไม่เข้าใจ ท่านไปสงสัยทำไมมันเป็นเรื่องปกติไม่ใช่หรอความเข้าใจเป็นของไม่เที่ยงท่านฟังท่านก็เข้าใจพอกลับไปหรือว่าไม่กลับไปนั่งนั่งอยู่นี่แหละมันก็ไม่เข้าใจคืนแล้วเพราะว่าความเข้าใจมันของเกิดดับมันของเปลี่ยนแปลงมันเป็นธรรมชาติของมันนี่นะยันสติที่เราฝึกฝนนี้เพื่อกันกระแสเพื่อรู้จักกระแสและเพื่อรู้จักสติด้วย ปัญญาฝึกฝนเพื่อเข้าใจความจริงของขันทั้งห้าของนามของรูปและเข้าใจความจริงของตัวปัญญาเองด้วยจึงไม่มีตัวตนอันไหนเลยสักที่เดียวนะไม่มีตัวตนในขันห้าแล้วก็ไม่มีตัวตนนอกขันห้าแท้ที่จริงสติกับปัญญาก็เป็นส่วนหนึ่งของขันห้านั่นแหละอย่างนี้นะครับนะจนกว่าจะพ้นจาก ขันทั้งห้าพ้นจากนามจากรูปไปซึ่งสภาวะที่พ้นจากนามจากรูปพ้นจากกายจากใจพ้นจากกายและจิตไปเนี่ยก็คือพระนิพพานนั่นเองเป็นที่ดับของนามรูปเป็นที่ดับของสติปัญญาทั้งหมดทั้งปวงแต่อะไรละ่ะที่ไปรู้พระนิพพานก็จิตนั่นแหละจิตเกิดดับไหมเกิดดับแต่ไปรู้พระนิพพานที่ไม่เกิดดับเนี่ยมันต่างกันอย่างนี้นะ พูดไปมันก็จะงงไปไปเรื่อยๆนะจนกว่าจะเห็นว่าความงงเป็นเรื่องธรรมดาจึงจะเลิกงงแล้วนะเลิกงงกับความงงหมายถึงว่าเราไม่สงสัยกับความงงแล้วรู้จักมันแล้วก็เหมือนเพื่อนกันเหมือนคนรู้จักกันเมื่อมันมาเราก็เห็นว่าโอ้ยมันเป็นอย่างนั้นแหละธรรมดาธรรมชาติเหมือนเรารู้จักหมาจักแมวแล้วเออหมามันก็เป็นอย่างนี้ของมันน่ะตอนแรกเราไม่รู้จักมันเราก็อาจจะคาดหวังอะไรกับมันบางอย่าง ทำไมหมาตัวนี้มันเป็นอย่างนี้ทำไมเป็นอย่างน้นอย่างนี้พอเราอยู่กับมันไปนานๆเข้าใจมันแล้วมันจะเหา่ามันจะกัดขาเราบ้างจะเล่นอย่างนั้นอย่างนี้บ้างจะเลียตรงนั้นตรงนี้บ้างเราก็เออเข้าใจมันแล้วเป็นเรื่องธรรมดาอย่างนี้ธรรมชาติอื่นๆก็ทำนองเดียวกันอย่างนี้นั่นแหละนะครับการเข้าใจความจริงแลวเห็นความจริงว่ามันเป็นอย่างนั้นของมันอันนี้เรียกว่าปัญญา ปัญญานี้ไม่ใช่ความรู้อะไรเยอะแยะนะบางคนไปบอกว่าปัญญานี่รู้โน่นรู้นี่อะไรฟังเขาพูดนี่รู้สึกปัญญานี่จะรู้อะไรเยอะไปหมดนะแต่ปัญญามันเป็นการรู้ความจริงว่ามันเป็นอย่างนั้นคำว่าว่ามันเป็นอย่างนั้นก็หมายถึงการยอมรับโรยไร้เงื่อนไขนั่นแหละคือปัญญาถ้าเรายังมีเงื่อนไขโผล่ขึ้นมาเงื่อนไขของอัตตาตัวตนเงื่อนไขของตัณหาอันนั้นเรียกว่ายังไม่มีปัญญา เคยเห็นเงื่อนไขไหมต้องอย่างนี้นะจึงจะมีความสุขต้องพูดอย่างนี้นะมาอย่างนั้นฉันจะไม่ยอมนะจะตึงหิดตึงหิดขึ้นมาแล้วนะงุดหิดงุดหิดแล้วไกล ร, รู้ไม่รู้ก็เหมือนไม่รู้แหละเพียงแต่เราเริ่มหุดหิดแล้วอย่างนี้นะอันนั้นเรียก ว, ว่ายัางไม่มีปัญญาปัญญาก็เป็นการรู้ความจริงของสิ่งนั้นว่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นธรรมดาของมันอย่างนั้นนั่นแหละ มันเป็นของเกิดดับเป็นของไม่คงทนเป็นของบังคับไม่ได้แล้วก็ยอมรับมันตามที่มันเป็นจริงถ้าพูดง่ายๆภาษาทุกวันนี้เขาเรียกว่ายอมจำนนต่อความจริงเมื่อยอมจำนนมันก็ปล่อยความจริงให้มันเป็นอย่างนั้นของมันเราเข้าไปยุ่งกับมันไหมไม่เข้าไปยุ่งนี้เรียกว่าคนมีปัญญานะไม่เข้าไปยุ่ง คำว่าไม่เข้าไปยุ่งไม่ใช่หมายความว่าไม่เข้าไปจัดการหรือว่าไม่เข้าไปดูแลเพียงแต่ว่าไม่เอาความรู้สึกว่ามีตัวมีตนว่าต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เข้าไปใส่ส่วนเราจะจัดการจัดแจงยังไงหรือว่าจะกระทํำยังไงต่อมันนั้นก็เป็นเรื่องของเรานะครับปัญญาเป็นเรื่องของด้านจิตใจแต่โดยส่วนใหญ่เวลาเราพูดถึงปัญญาโอ้ยมันเป็นของไม่สวยไม่งามอย่าไปยุ่งเราก็ออกคานองไม่ไปยุ่งจริงๆซะด้วย อย่างนี้เรียกว่ายังไม่มีปัญญาหรอกอย่างนี้มันแค่การปฏิเสธเท่านั้นเองอุ้ยการ ม, มันไม่ดีหรอกรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสชื่อเสียงเงินทองไม่ดีหรอกเขาก็ปฏิเสธนะไปปฏิเสธของทั้งนี้มันไม่ดีธรรมะดีกว่าก็ไปเกาะธรรมะอีกอย่างนี้อันนี้ยังไม่มีปัญญานะครับแต่ในจริงปัญญาเป็นการยอมรับอย่างที่มันเป็นคือการเข้าใจโลก ไม่ใช่การวิพากวิจาร์โลกโดยส่วนใหญ่เราจะชอบพูดถึงการมีปัญญาในแง่มุมของการวิพากวิจารวิจารได้เยอะเท่าไหร่ก็จะดูดีเท่านั้นดูมีปัญญามากขึ้นเท่านั้นเช่นว่าโอ้ยโลกเนี่ยมันเสื่อมลงเพราะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มันเจริญขึ้นเพราะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้โอ้ตอนนี้มันเสื่อมแล้วเด็กๆทุกวันนี้จิตใจมันเสื่อมโอ้มี เรื่องกาเมในโรงเรียนในอะไรต่างๆเขาก็พูดกันไปนะเขานึกว่าวิจารณ์อย่างนี้ถือว่ามีปัญญาและเข้าใจว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีแต่อันนี้ก็คือแสดงความไม่มีปัญญาไม่เข้าใจโลกนะนะคือการไม่ยอมรับโลกตามที่มันเป็นจริงนั่นเองนะครับปัญญามันเป็นการเข้าใจโลกมันไม่ใช่การวิพากวิจารณ์โลกอย่างนี้นะครับ โดยส่วนใหญ่เราชอบวิจาร์อยู่แล้วนะฉะนั้นถ้าเราเรียนรู้ธรรมะเรียนรู้ข้อนั้นข้อนี้ก็ลองสังเกตจิตใ จ, จเราดูว่ามันไปวิพาก์วิจารอันอื่นหรือเปล่าเห็นว่าอันนั้นไม่ดีอันนั้นโอ้อันนี้ไม่น่าต้องอย่างนี้อย่างนี้อะไรพวกนี้เรียกว่าไม่มีปัญญามันเปลี่ยนที่ยึดเท่านั้นเองนะแต่เดิมมันยึดอยู่เรื่องนี้มันไม่เอาเรื่องนี้แล้วมันก็ไปยึดอีกเรื่องหนึ่งเปลี่ยนที่นะครับ ต้องเข้าใจลักษณะของปัญญานะปัญญาคือการรู้ความจริงของโลกและก็ยอมรับโลกได้จนกว่าจะเห็นธรรมดาของมันนะเห็นความจริงของมันแล้วก็วางเฉยได้วางเฉยคือไม่มีปฏิกิริยาใดๆเกิดขึ้นเมื่อหลงเกิดขึ้นเราก็ไม่ได้มีปฏิกิริยาใดๆหลงก็หลงธรรมดาเวลาเกิดความรู้ก็รู้ธรรมดาธรรมดาไม่ได้เกิดการ ย, ย, ยึกยักยกยักส่วนใหเราจะยึกยักทุกเรื่องนะครับฉะนั้นเรายึกยักก็ให้รู้ว่ายึกยักไปนะดูไปเรื่อยๆการที่รู้จักโลกตามที่มันเป็นจริงแล้วก็วางเฉยต่อโลกได้เฉยเพราะเห็นความจริงของมันเป็นปัญญาขั้นสูงสุดที่เราฝึกฝนได้เรียกว่าสังขารุปเปก ข, ขาญาณเป็นปัญญาชนิดที่เราฝึกฝนให้เกิดขึ้นแล้วก็ จิตก็จะเป็นกลางวางเฉยต่อสังขารทั้งหลายเมื่อเป็นกลางวางเฉยต่อสังขารทั้งหลายอย่างนั้นแล้วก็อาก็ดูสังขารไปเรื่อยๆ อ, อย่างนั้นแหละเมื่อปัญญาแก่กล้าจิตก็จะถึงการบรรลุของเขาเองที่เราฝึกฝนได้เขาฝึกฝนได้เท่านั้นเราจะไปบี บ, บคั้นบังคับว่าต้องรีบบรรลุเมื่อนโนู้นเมื่อนี้ต้องรีบให้บรรลุเดินจงกรมวันละ6กชั่วโมงนั่งวันละหกชั่วโมงอันนี้คงจะตายเปล่า ถ้าจิตไม่บรรลุเขาก็ไม่บรรลุของเขาวันยังค่ํานั่นแหละนะจะนั่งกี่ชั่วโมงจะเดินกี่ชั่วโมงไม่เกี่ยวกันทั้งนั้นแหละจะไม่นั่งเลยฟังธรรมะอยู่ดีๆก็บรรลุไปก็ได้ถ้าจะบรรลุนะอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ให้ไปเดินไม่ให้ไปนั่งนะแต่นี่พูดถึงหลักความจริงนะครับเนี่ยเห็นไหมอาชิตตมานุก็ถามปัญหาสูงขึ้นไปเลยนะสูงขึ้นไป เรื่องปัญญาสตินามและรูปย่อมดับสนิทไปในที่ไหนไม่มีอีกแล้วไม่มีการวนเวียนอะไรอีกแล้วดับสนิทไปในที่ไหนอันนี้ก็กล่าวถึงพระนิพพานนั่นเองเมื่อจิตไปรู้พระนิพพานจะรู้สภาวะที่ดับนามและรูปพระนิพพานนั้นไม่มีนามไม่มีรูปอยู่ในนั้นแต่หลังๆเราอาจมาจัดพระนิพพานว่าเป็นนาม แต่ว่าเป็นนามในความหมายที่ว่าไม่ใช่รูปเท่านั้นเองแต่โดยความจริงพระนิพพานไม่ใช่ทั้งนามไม่ใช่ทั้งรูปเพราะว่านามและรูปนั้นจะดับไปที่นิพพานนแต่เราจะจัดก็ได้จัดแบบชาวโลกพูดกันก็พอได้อยู่แต่ต้องเข้าใจความหมายนะครับต่อไปพระองค์ก็จะตรัสในบาลีข้อหนึ่ง ยเมตังปัญหังอปุชิอาชิตะตังวดามิเตดูก่อนอาชิตะท่านได้ถามปัญหาใดกับเราเราจะตอบปัญหานั้นแก่ท่านยัตถานามันจะรูปัญจะเอเสสังอุปรุชติวิญญาณสะนิโรเทนะเอเทตังอุปรุชตินามและรูป ดับโดยไม่เหลือในที่ใดสติและปัญญาก็ดับไปในที่นั้นเพราะการดับไปของวิญญาณนะครับเห็นไหมแม้แต่วิญญาณก็ไม่มีเลยในนิพพานแต่อะไรที่ไปรู้พระนิพพานก็วิญญาณแต่วิญญาณนั้นดับนะนามและรูปไม่มีเลย วิญญาณไปรู้พระนิพพานแต่พระนิพพานปรากฏขึ้นเพราะความดับของวิญญาณโอ้งงไปงงมาแล้วนะก็อย่าไปคิดมากนะนามันจะรูปัญจะนามและรูปอเสสังอุปรุชตินับไปไม่มีส่วนเหลือยัตถะในที่ใด นามและรูปนะครับก็ดับไปไม่มีส่วนเหลือในที่ใดก็คือดับไปในนิพพานนั่นแหละไม่มีส่วนเหลือเลยไม่มีนามและรูปใดๆอยู่ในนิพพานนั้นเลยนะครับที่นามและรูปมันมีอยู่ก็เพราะว่ายังมีอวิชชาหลงเหลืออยู่อวิชชาที่หลงเหลืออยู่นี้ก็ไปปรุงแต่งอภิสังขารที่เราเคยทำกรรมเอาไว้มานานเนิ่นมากมายปรุงกันขึ้นมาก่อวิญญาณก่อนามรูปขึ้นมาได้ ถ้าไม่มีอวิชชาเสีอะไรที่เราทำทาไว้ทั้งหมดมีเหตุให้เกิดขึ้นไหมไม่มีเลยนะแม้กระทั่งวิญญาณแต่อะไรไปเห็นพระนิพพานก็วิญญาณแต่วิญญาณเกิดดบพระนิพพานไม่เกิดดำนะเลยงงเงินหลายซ้อนอยู่ตรงนี้นะครับนี่นามและรูป ดับไปไม่มีส่วนเหลือในที่ใดสติและปัญญาก็ดับไปในที่นั้นนั่นแหละในนิพพานนั้นนั่นแหละเพราะการดับไปของวิญญาณนะครับฉะนั้น ก, การที่จะทำให้ขันธ์ทั้งห้าทุกทั้งหมดนามและรูปทั้งหมดโลกทั้งหมดดับไปก็ด้วยการเห็นพระนิพพานเท่านั้นนะครับพระนิพพานนี้เป็นสิ่งที่เหนือโลกโลกทั้งหลายก็ดับไปที่พระนิพพาน แต่อาศัยอาศัยโลกอาศัยโลกอาศัยสติอาศัยปัญญาอาศัยอริยมรรคที่เกิดขึ้นอริยมรรคเป็นโลกไหมอริยมรรคเป็นโลกเปรียบเหมือนแผ่เห็นพระนิพพานแต่นิพพานเนะี่ยไม่มีนามไม่มีรูปไม่มีกระทั่งวิญญาณแต่อาศัยวิญญาณวิญญาณเห็นนิพพานเนี่ยนะอันหนึ่งเป็นอารมณ์นิพพานจึงเป็นตัวอารมณ์อย่างเดียว นิพพานเนี่ยทุกขนิโรธอริยสัตมนั้นเป็นสัจฉิ嘎ตพัทธธรรมธรรมะที่ควรกระทำให้แจ้งกระทําให้แจ้งประจักษ์เฉยเราอยู่ในโลกนี่แหละฝึกฝนตนเองก็จะแจ้งนิพพานได้เมื่ออริยมรเกิดขึ้นก็แจ้งพระนิพพานเห็นพระนิพพานไม่ได้ไปทําอะไรพระนิพพานเมื่อเห็นพระนิพพานแล้วกิเลสชนิดต่างๆที่เคยมีทั้งหมดก็จะโดนเผาทําลายไปโลกต่างๆก็จะหมดไปได้ ถ้าไม่เห็นก็จะต้องวนเวียนกันต่อไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับสันพระนิพพานจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดแล้วที่จะทำให้หมดโลกได้หมดนาหมดรูปได้แต่ว่าไปไม่ถึงได้ด้วยความอยากความต้องการถ้าความอยากความต้องการนั้นมันฉาบทาโลกเอาไว้นะตันหานี่ต้องรู้ทันตัวตันหาจึงจะถึงพระนิพพานแต่โดยส่วนใหญ่เวลาเราพูดถึงพระนิพพานเป็นของดีของประเสริฐ เราก็พูดดีประเสริฐในแง่ของทางโลกทั้งๆที่ดีไม่ดีในแง่ของทางโลกนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับพระนิพพานเลยพระนิพพานนั้นเหนือทั้งดีทั้งไม่ดีแต่เวลาพูดภาษาทางโลกก็ไม่รู้จะพูดยังไงก็พูดนะพระนิพพานก็ดีกว่าทางโลกแล้ดีกว่าดีกว่าเราก็เกิดตัณหาอยากได้พระนิพพานไปอีกก็เลยห่างไกลพระนิพพานไปเรื่อยไปอีกนะฉันต้องทักทักตัณหาบ่อยๆหน่อยรู้จักทักไหม ส่วนใหญ่เรามีแต่จิ้งจกทักเนยรอจริงจกมันทักเราต้องทักหน่อยทักตันหาก่อนจะออกจากบ้านเนี่ยใครเป็นคนพาออกไปตันหานั่นแหละต้องทักมันหน่อยพระพุทธเจ้าตรัสรู้ทีแรกท่านทักใครก่อนแน่แ น, แน่ในช่างเรือนคาหะการะกะในช่างในช่างโอ้เจอท่านแล้วเจอแล้วเจอแล้วทักตันหาซะก่อน ที่พาเราไปทํานั่นทํานี่วนเวียนมามากมายเหลือเกินอยากเป็นโน่นอยากเป็น น, ôn, น, นี่จนกระทั่งอยากเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้เป็นจริงๆเนี่ยตอนได้เป็นจริงๆไม่ใช่เพราะตัณหานะที่ไปทําฝึกฝนมาตัณหาทั้งนั้นเลยวนเวียนมาพระองค์จึงมาสารภาพกับภิกษุทั้งหลายว่าที่เราและเธอทั้งหลายวนไปวนมาไม่สิ้นสุดเนี่ยก็เพราะไม่รู้อริยสัจนั่นแหละที่ต้องวนวนไปแล้วมีชาดกให้เราอ่านเนี่ยพระองค์พระองค์มาสารภาพทีหลังนะ มาสารภาพกับภิกษุทั้งหลายนั่นแหละที่เราและเธอทั้งหลายพากันวนเวียนไปในโลกท่องที่ยวไปตลอดการยาวนานนี้ก็เพราะว่าไม่รู้อริยสัจฉนั้นเวลาพระองค์ตรัสรู้อริยสัจ ต, ตอนแรกพระองค์ก็ทักตันหาสะก่อนเลยแน่ตันหานายช่างผู้สร้างเรือนเราเห็นเจ้าแล้วนี่นี่พระองค์หาเองนะแล้วก็หาเจอเราทั้งหลายฟังพระพุทธเจ้าก็ ให้เห็นมันหน่อยนะทักทักมันหน่อยนะผู้บงการการกระทําบงการคําพูดบงการการกระทําบงการความคิดให้เราไปทํานี่ทำน้องนทุกวันทุกวันเนี่ยเคยเห็นไหมตัวบงการพฤติกรรมทั้งหลายทั้งหมดทั้ ง, ม, งมวล น, น่ยอันนี้ก็คือนายช่งางคหะกาลกะนายช่างสร้างเรือนคือตันหานั่นเองถ้ายังไม่เห็นอันนี้เราก็คงจะต้องวนเวียนไปเรื่อยๆ เราไม่ได้ไปทำอะไรให้มันดีมันเด่นเยอะขึ้นนะฝึกฝนตนเองเพื่อให้เกิดปัญญารู้เท่าทันแล้วก็ให้เห็นตัวเนี้ให้เห็นตัวที่พาเราไปทำนี่แหละเหมือนท่านมาเรียนหนังสือมาเรียนกับผมที่นี่ท่านก็มาเรียนเพื่อที่จะเห็นหน้าตัวที่พาท่านมาเรียนนั่นแหละจะได้ไม่ต้องมาเรียนอีกสบายไหมโอ้สบา ย, ย, บายถ้าไม่เห็นตัวนั้นท่านจะต้องมาเรียนอีกนานมากเลยไม่ไหวไม่ไหวอย่างนั้นมันวนไปวนมา อย่างเงี้ยเหมือนท่านมาปฏิบัติธรรมปฏิบัติเพื่ออะไรปฏิบัติก็เพื่อให้เห็นหน้าตัวที่พาท่านมาปฏิบัตินั่นแหละเพื่ออะไรเพื่อจะได้ไม่ต้องมาอีกต้องทักเขาบ่อยบ่อยหน่อยนะไม่ใช่ไปตามตามเขาอยู่เรื่อยนะครับโดยปกติเราคงจะทําตามเขาจนชินไปแล้วแหละท่านต้องคอยสังเกตให้เห็นนะดูให้เห็นอันแรงๆก่อนก็ได้อันอยละเอียดอาจจะยังไม่เห็นก็ไม่เป็นไรก็คอยสังเกตไป จะให้รู้นะครับว่าบ้านเรือนคือกายกับใจของเรานี่นะที่มันยังมีบ้านมีเรือนอยู่อย่างนี้ได้ก็เพราะว่ามีนายช่างคนหนึ่งคือตันหาความอยากได้ความต้องการเป็นตัวบงการอยู่เนี่ยนะตัวบงการมันก็ทาของมันไปเรื่อยเพราะว่าเรายังมีอวิชชาเหลืออยู่ไม่เข้าใจความจริงของกายของใจก็ไปทำเพื่อให้กายเป็นอย่างนี้ให้ใจเป็นอย่างนี้ ให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้แต่จริงๆเขาต้องการฝึกฝนให้เกิดปัญญาเห็นว่ามันเป็นอย่างที่มันเป็นไม่ใช่ไปทำให้มันเป็นอย่างนี้หรือให้มันเป็นอย่างโน้นไม่เอาอย่างนี้จะเอาอย่างโน้นไม่เอาหล อ, อกไม่รู้จะเอารู้ไม่เอาหลอกหลงจะเอาสติเยอะๆเนี่ยเห็นไหมเคยเห็นไหมตัวนี้อ่ายัางไม่เห็นก็ฝึกไปก่อนนะฝึกเพื่อให้เห็นนะไม่ใช่ฝึกเพื่อตามตามเขาไปเรื่อย นะครับอันนี้แหละการไปปนิพานธ์มันจึงฟังดูยุ่งยากในภาษาของชาวโลกเหมือนกับพูดว่าเดินไปแต่จริงๆเดินไปในที่ที่เรายืนอยู่เรายืนอยู่แล้วแล้วเราก็เดินไปเดินไปจนกว่าจะเลิกเลิกเดินอา้าเราก็หยุดอยู่แล้วนี่นะก็เท่านั้นแหละนะเหมือนเรานั่งอยู่บ้านเราอยู่แล้วก็พยาญามเปิดประตูเปิดประตูเข้าบ้าน ทั้งๆ ท, ที่ตัวเองนั่งอยู่ในบ้านอย่างนี้นะการถึงพระนิพพานก็แบบนั้นนั่นแหละมันเลยงงไปงงมาไม่รู้จะทำยังไงแต่ต้องเป็นคนไปเปิดประตูนะต้องพยายามเปิดประตูจึงจะได้เข้าบ้านแต่พยายามไปแล้วก็รู้สึกว่าเอา้าเราก็นั่งอยู่แล้วในบ้านนี่นาะอย่างนี้นะครับฉะนั้นคนที่จะถึงพระนิพพานก็ต้องเป็นคนที่สแสวงหาหนทาง แต่ว่าถึงได้เพราะเลิกสแสวงหาแต่ต้องเป็นคนสแสวงหาโอ้หลายชั้นมากนะอ่าจะถึงรนันยพันธ์ต้องเป็นคนสแสวงหาต้องเป็นคนฝึกฝนตนเองด้วยความขยันหมั่นเพียรแต่ถึงได้โดยการเลิกสแสวงหาแต่ผู้ที่จะเลิกสแสวงหาได้ก็ต้องเป็นคนสแสวงหาเนี่ย ต้องเดินทางฝึกฝนเขาเลยเรียกว่ามักนะครับแต่จะถึงได้โดยการเลิกเดินทางแต่จะเลิกเดินทางได้ด้วยการเดินทางทําไมมันหลายซ้อนอย่างนั้นเนี่ยก็เหมือนคาถานเนี่ยซ้อนไปซ้อนมานะฉะนั้นท่านไม่ต้องฟังให้เข้าใจนะฟังให้ไม่รู้เรื่องนั่นแหละดีที่สุดแล้วนะ นามและรูปดับไปไม่มีส่วนเหลือในที่ใดสติและปัญญาก็ดับไปในที่นั้นนั่นแหละเพราะการดับไปของวิญญาณนะวิญญาณก็ดับไปสติปัญญาก็ดับไปนะครับดับไปที่พระนิพพานนะากนั้นพระนิพพานเราไม่ได้ไปไหนะนะก็อยู่ของเขาอย่างนั้นเป็นสิ่งที่ต้องทำให้แจ้งท่านจึงเรียกว่า สัจฉิกาตรตพธรรมเราไม่ได้ไปทำอะไรกับพระนิพพานเพียงแต่ทำให้แจ้งเท่านั้นเองทำให้แจ้งโดยผ่านการรู้รู้ทุกตามที่มันเป็นจริงแล้วก็ละสมุ ท, ทยัยอย่างนี้นะก็โดยการฝึกฝนฝึกฝนเพื่อรู้ทุกตามที่มันเป็นจริงแล้วก็ละสมุ ท, ทยัยไปเรื่อยๆนะต้องขยันหมั่นเพียรต้องฝึกฝนต้องทาอย่างนี้นะ ฝึกฝนเพื่อรู้ทุกนะแต่ไม่ใช่ฝึกฝนเพื่อเห็นพระนิพพานหรือว่ารู้พระนิพพานเห็นไหมตอนฝึกเนี่ยฝึกอย่างหนึ่งตอนรู้รู้อีกอย่างหนึ่งตอนฝึกฝนฝึกฝนให้เกิดสติเกิดปัญญาแต่ว่าพระนิพพานกลับกลายเป็นที่ดับของสติปัญญา อย่างนี้นะนะครับก็ไม่ต้องคิดมากนะคิดมากก็ซับซ้อนไปเรื่อยๆต่อไปข้อหนึ่งสบห้าอาชิตตามานก็ถามต่อไปหลังจากพระองค์ตรัสถึงสภาวะที่เป็นพระนิพพานซึ่งเป็นที่ดับของนามของรูปโดยไม่มีส่วนเหลือสติปัญญาก็ดับไปในที่นั้นนั่นแหละ รวมทั้งวิญญาณด้วยบุคคลที่ได้เห็นพระนิพพานแล้วก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนโคดเขาเรียกเปลี่ยนโคดเปลี่ยนตระกูลไปเป็นตระกูลอริยะเจ้านะข้ามโคดนะท่านเรียกนะั่นข้ามโคดไปเป็นตระกูลพระอริยะเจ้าแลละเป็นพระโสดาบันเป็นต้นนะครับทีนี้อาชิตามานพก็ ถามต่อไปว่าพระอริยเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นท่านมีชีวิตอยู่กันยังไงบ้างเห็นไหมถามตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะตั้งแต่ความจริงของโลกการฝึกฝนให้เกิดสติเกิดปัญญาเข้าใจความจริงของโลกแล้วสิ่งเหล่านี้จะดับไปในที่ไหนเห็นพระนิพพานเห็นพระนิพพานแล้วก็เป็นพระอริยเจ้าแล้วพระอริยเจ้าล่ะมีวิถีชีวิตอยู่เป็นยังไงบ้างนั่นก็ถามครบสมบูรณ์เลยในหน้าเดียวนี่แหละนะครับ อาิตตมานพทูลถามว่าเยจะสังขารตธรรมมาเสเยจะเสขาปุถูอิทะเตสังเมนิปโกอิริยังปุถโผลหิมาริสะสังขารตธรร ม, มาเยจะสังขารตธรรมมาเสบุคคลที่ท่านรู้แจ้งธรรมะทั้งปวงแล้วมีธรรมะอันรู้แจ้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็คือพระอาหารหันต์คำนี้หมายถึงพระอาหารหันต์สังขาตตธรรมมามีธรรมะอันรู้แจ้งสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วยเยจจะเสขาปุถุอิทะแล้วก็พระเสขะอีกจำนวนมากในพระธรรมวินัยนี้พระเสขะก็คือพระที่ยังต้องศึกษาอยู่มีพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามี ส่วนท่านที่มีธรรมะที่รู้แจ้งสมบูรณ์แล้วก็เป็นพระอาหารหันต์ส่วนยังไม่สมบูรณ์ก็เป็นเสโคเสขะซึ่งมีพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีเตสังเมนิปโกอิริยังปุทโธปะบรูหิมาริสสะข้าแต่ท่านผู้นิรุกุ์พระองค์ผู้มีปัญญา อันข่าพระองค์ถามแล้วจงตรัสบอกการดําเนินชีวิตของท่านทั้งหลายเหล่านั้นเถิดนิปโกเนี่ยก็เป็นชื่อของพระพุทธเจ้าแปลว่าผู้มีปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนให้รอดรอดจากอบายรอดจากภพภูมิต่างๆจนกระทั่งรอดจากโลกเหนือโลกไปแล้วเราจะเรียกว่าพระผู้รอดผู้ช่วยให้รอดอะไรก็ว่าไปนะรอดหมายถึงรอดจากการเกิดการตายแล้ว เนีเรายังไม่รอดใช่ไหมเกิดมาแล้วนี่ไม่รอดแง่แงเลยตายเรียบเลยนะแต่พระพุทธเจ้านี้ทันรอดเรียบร้อยแล้วพระองค์ผู้มีปัญญารักษาตนฉะนั้นเราทั้งหลายก็ฝึกให้มีปัญญารักษาตนนะตอนแรกก็รักษาไม่ให้ไปอบายสก่อนไม่ให้ทำผิดพลาดทุจริตต่างๆมันก็ไม่ไปอบายนี่ก็รักษาตนได้ระดับหนึ่งนะด้วยสติถ้ามีปัญญาก็ถอดถอนภพภูมิที่ไม่ดีต่างๆ ถ้ายังเกิดอีกก็เกิดแต่ภพภูมิที่ดีถอด ถ, ถอนทุกต่างๆที่มีอยู่อย่างสมมุติว่าท่านอุบมาอย่างนี้นะถ้าเราทั่วไปทุกนี้เท่ากับภูเขาภูเขาลูกใหญ่ๆนี่นะถ้าเป็นพระโสดาบันแล้วบรรลุธรรมเรียบร้อยแล้วทุกก็จะเหลือเล็กน้อยเท่านั้นเองประมาณก้อนหินเจ็ดก้อนก้อนหินเจ็ดก้อนกับภูเขาเนี่ยมันวัดกันไม่ได้เลย ฉนันทุกที่มันหายไปนี่เยอะไหมเยอะมากเลยนะเยอะมากอ่าสมมุติว่าปกติเนี่ยท่านปวดหัววันละกี่ครั้งเครียดวันละกี่ครั้งวันละสามสิบครั้งวันละร้อยครั้งได้ัหมนะเครียดอยู่เรื่อยเครียดอยู่เรื่อยอ่ารถติดก็เครียดคนพูดไม่ถูกใจก็เครียดอ่านหนังสือพิมพ์ก็เครียดอะไรก็เครียดอยู่เรื่อยนี่เยอะทุกเยอะสมมุติเป็นความเครียด ถ้าเป็นพระโสดา บ, บันแล้วก็หายไปเกือบหมดเลยสักเดือนหนึ่งจะเครียดทักทีหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นนะของเราวันหนึ่งก็เป็นร้อยทีแล้วอย่างนี้ยนะแล้วมันจึงต่างกันมากท่านจึงอุปมาเหมือนกับว่าทุกที่มันหายไปนี้เปรียบเหมือนภูเขาทุกที่เหลืออยู่อุปมาเหมือนกับก้อนหินเจ็ดก้อนหรือว่าเทียบแบบมหาสมุทรก็ได้ทุกที่หายไปเหมือนกับน้ําในทะเลในมหาสมุทร ทุกที่เหลืออยู่เหมือนกับหยดน้ำเจ็ดหยดเท่านั้นเองน้อยไหมน้อยมากนะท่านไปดูว่าวันวั น, วนท่านทุกอะไรอยู่บ้างแล้วก็ลองเตือนตัวเองดูว่าโอ้เนี่ยถ้าฉันฝึกฝนสติปัญญาไปนะจะเหลือน้อยมากเลยเนี่ยไม่ต้องมาเครียดเรื่องลูกเรื่องทําไม่ดีเรื่องสามีเรื่องคนนั่นเรื่องคนนี้เรื่องทีวีเรื่องหมาเรื่องแมวเรื่องหาเช้ากินค่ําไม่มีเป็นไงบ้าง โอ้ oh, หน่าอัศจรรย์มากนะพระพุทธเจ้าท่านจึงเปรียบเทียบให้เราดูท่านบอกว่าให้ทานกับสัตว์เดรัจฉานนี้ได้กี่เท่าได้ร้อยเท่าให้ทานกับคนไม่มีศีลได้กี่เท่าไล่ไปเรื่อยเลยไล่ไปเรื่อยนะเจริญเมตตานี้ชั่วลัดนิมมือเดียวก็มีผลเยอะมากเลยไม่มีประมาณแล้วนะมากกว่าทานมาทั้งเยอะแล้ว ทีนี้เนื้อสุดกว่าเขาอีกเจริญอ น, นิจจสัญญาแม้เพียงนิดเดียวเท่านั้นน่ะมีอ น, นิสงฆ์มากมายมหาศาลเลยอย่างนี้นะบอกเอาไว้อย่างนี้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้งทีเดียวแต่เวลาเราทํานี่นะเราก็ไปทําแต่บุญแต่ทานกันเคยมาเจริญอ น, นิจจสัญญาไหมไม่กล้าเจริญไม่กล้าแม้แต่จะฟังนะีอย่างนี้ทั้งทั้งที่พระองค์ก็บอกไว้แล้วนะเรียงให้ดูเลยอย่างนี้อย่างนี้ ท้ายที่สุดคืออ น, นิจจสัญญาการเจริญวิปัสสนาให้จิตยอมรับความจริงได้ว่าโอ้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นของไม่เที่ยงนี้มีอนิสงฆ์มากมายมหาศาลแต่เวลาเราสอนกันโอ้นี่นะเธอต้องทําบุญนะเก็บสบียงอะไรไปเนี่ยทําตามพระพุทธเจ้าไหมอย่างเนี้ย ท, ท, ทั้งๆที่พระพุทธเจ้านี่ท่านเรียงให้ดูจนชัดเจนแจ่มแจ้งเหลือประมาณแล้วเราก็ไม่ยอมทําตามนี่นะฉะนั้น เวลาเรารู้คำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนะก็ทำอันที่ท่านบอกว่ามันดีนั่นแหละนะส่วนอันที่คนอื่นเขาทำทำกันหรือว่าเขาเคยเป็นกันมาแล้วก็ละละไว้ก่อนก็ได้อย่างนี้นะครับอ้าวถึงไหนแล้วทำไมไปเรื่องนั้นโอ้ถึงเรื่องคำถามคำถามว่าท่านที่เป็นพระอระหันต์มีธรรมะที่รู้แจ่มแจ้งแล้วกับพระเสกขะมีเป็นจานวนมากในโลกนี้ พระองค์ผู้มีปัญญาเครื่องรักษาตนถูกข้าพระองค์ถามแล้วจงบอกการดำเนินชีวิตของท่านเหล่านั้นหน่อยเถอพระอริยเจ้าท่านมีวิถีชีวิตกันยังไงบ้างนะเราได้รู้จักวิถีชีวิตเราก็จะรู้จักว่าโอพระอริยเจ้านี้ท่านเหมือนกับเราหรือต่างกับเรายังไงบ้างอย่างนี้นะครับนี่เขาก็ถามวิถีชีวิตของพระอริยเจ้าผู้ที่เห็นพระนิพพานแล้วนะครับ เห็ไหมเรียงมาลาตามลาดับเลยนะคาถาแรกแรกกล่าวถึงเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับโลกความเข้าใจเรื่องโลกต่อมาก็กล่าวถึงการฝึกฝนเพื่อที่จะตัดกระแสโลกไม่หลงไปตามโลกเข้าใจความจริงของโลกถอดถอนความเห็นผิดถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นได้แล้วต่อมาก็ถามถึงสิ่งที่ทำให้โลกแล้วก็สิ่งที่เป็นสังขารทั้งหมดทั้งมวล น, นั้นดับไปหมดเลย ก็คือพระนิพพานใครให้ได้เห็นอย่างนั้นแล้วก็เป็นพระอริยเจ้าต่อมาคาถาท้ายๆก็ถามถึงวิถีชีวิตของพระอริยเจ้าเหล่านั้นพระองค์ก็ตอบในบาลีข้อหนึ่งกาเมสุนาพิคิเชยะมณสานาวิโลกสยากุสโลสัมะธรร ม, มานัง สโตภิกขุปริพเชนี่พระพุทธเจ้าตอบนะอชิตตามานบได้ถามถึงการดำเนินชีวิตของพระอริยเจ้ามีพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีแล้วก็พระอรหันต์พระพุทธเจ้าตรัสว่ากามสุนาภิคัตเฉยะภิกษุเนี่ยก็คือพระอริยเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นท่านไม่ปราถนา ไม่ยินดีเพลิดเพลินในกามทั้งหลายไม่ยินดีเพลิดเพลินไม่ปรารถนาให้ยิ่งขึ้นไปหรือว่าไม่ปรารถนาจะมีเพิ่มไม่ปรารถนาจะเอามาเพิ่มแต่มีแต่ไม่ปรารถนาจะเอามาเพิ่มหรือว่าให้มันมากเกินไปถามว่าพระริยเจ้ามีกามไหมมีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมีความสุขกับภรรยาสามีตามสมควรของท่านไหมมี แต่ท่านไม่ปรารถนาให้ยิ่งขึ้นไป herum, มีความสุขก็มี Cola. แต่ก็มีความสุขเท่านี้แหละห า, estoy estoy า Grammy หาได้เพิ่มก็มีความสุขได้อีกหาได้เพิ่มก็มีความสุขได้อีกไม่ปรารถนาให้ยิ่งขึ้นไปแต่เราโดยทั่วไปได้เท่านี้แล้วยังไม่มีความสุขเท่านี้หรอกมีเท่านี้ยังไม่มีความสุขหาปรารถนายิ่งขึ้นไปเรื่อยๆความสุขก็ลอยอยู่ข้างหน้าไปเืยเรื่อยๆเรื่อยๆไป ไม่เคยได้สักทีหนึ่งไม่เคยมีความสุขทักทีหนึ่งทีนี้เราไม่รู้ความจริงอย่างนี้ตัณหาพาไปทำถ้ามีคนมาบอกว่านี่คุณทำบุญอย่างนี้นะทำเยอะๆนะแล้วต่อไปชาติหน้าคุณจะมีความสุขก็ไปเชื่อเขาเพราะว่านิสัยเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนิสัยคือตัวเองไม่มีความสุขในสิ่งที่ตัวเองมีชอบเอาความสุขไปไว้ข้างหน้าใครมาให้ความหวังก็เอาหมดฉะนั้นพวกนี้ก็หลอกง่ายมาก เขาหลอกให้ทำบุญหลอกให้ทำอะไรก็ทำไม่หมดโดยคิดว่าตัวเองนั้นได้บุญเหลือประมาณแล้วเขาว่าอย่างนี้น ะ, นะตอนทำก็วุ่นวายทำโน้นทำนี้ไปหมดนะท่านว่าได้บุญไหมลองไปหาดูว่าได้หรือเปล่าน ะ, นะถ้าได้บุญจริงมีบุญจริงก็จะมีความเบาสบายมีความเบิกบานมีความอิบอิ่มมีความสุขในตอนที่เป็นอยู่นั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านเลยเรียกว่า การมีความสันโดษในปัจจัยในสิ่งของคือมีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองมีอยู่แล้วนั่นแหละคือการเป็นบุญชนิดหนึ่งนะการยอมรับในสิ่งที่ตัวเองมีมีน้อยก็มีความสุขแต่น้อยมีมากก็มีความสุขแต่มากแล้วก็ตอนทําก็ทําอย่างมีความสุขได้มาอีกก็มีความสุขตอนทําก็มีความสุขตอนยังไม่ได้ก็มีความสุขตอนได้ก็มีความสุขนั่นแหละเป็นวิถีทางของพระพุทธศาสนา ไม่ใช่แบบวนเวียนนะแบะบวนเวียนเนี่ยเขาจะปรารถนาเกินไปในกามตอนนี้ได้เงินมาเท่านี้ยังไม่พอหรอกต้องได้มาอีกจึงจะมีความสุขพอได้มาอีกอย่างที่เขาคิดเอาไว้ก็ยังไม่มีความสุขหรอกอยา ง, ย, งายิ่งกว่านั้นอีกยิ่งกว่านั้นอีกยิ่งกว่านั้นอีกไปเรื่อยๆตอนนี้บุญยังไม่พอหรอกต้องทาเพิ่มขึ้นมาอีกทาเพิ่มขึ้นมาอีกก็สบายใจหน่อยหนึ่งเ้ยไม่พอบุญยังไม่พอต้องไปทาอีกเหมือนเรื่องเงินเลย แบบเดียวกันอย่างนี้เห็นไหมมันเลยวนไปวนมาอยู่อย่างนั้นไปเรื่อยๆนะครับนะแบบนั้นเขาเรียกว่าพวกปรารถนายิ่งมีความต้องการมากขึ้นไปเรื่อยๆไม่สิ้นสุดในกามทั้งหลายส่วนพระริยเจ้านั้นท่านไม่ปรารถนายิ่งคือท่านมีกามก็ปรารถนาเท่าที่สมควรเท่าที่พอเป็นไปได้มีความสุขกับสิ่งที่มีอยู่หาเพิ่มก็ได้ รวยก็ได้มีรถยนต์หลายคันก็ได้มีภรรยาหลายคนก็ได้อะไรก็ได้นะภรรยาเจ้าไม่ใช่มีภรรยาคนเดียวนะมีภรรยาหลายคนก็ได้แต่ว่าท่านไม่ปรารถนายิ่งขึ้นไปท่านก็มีความสุขสมมุติมีสี่คนท่านก็มีความสุขแล้วกับสี่คนนีน้เลี้ยงดูอย่างสมควรสมมุติท่านไปเห็นอีกคนที่ห้าท่านก็มีความสุขกับคนที่ห้าต่อไปอีกดีไหม โอ้เขาทาดีเหมืนะนอนกันนะนะอาจจะยากตอนเป็นพระนาคามีนี่แหละนะใครมีเมียหลายคนก็ต้องมาจัดการเมียแล้วทีนี้ น, นะก็คือมาอ้าวเธอจะเอาอยัางไงจะอยู่ยังไงอ๋อจะไปหาผู้ชายคนอื่นใช่ไหมก็จัดแจงแต่งให้เขาให้เรียบร้อยนะเวลาเป็นพระนาคามีคนมีเมียเยอะนี่ยากนะเคยอ่านเรื่อง ท่านวิสาขาอุบาสกไหมมีเมียสี่คนเมียคนหนึ่งชื่อว่าพระนางธรรมทินนาอา่าพอท่านไปฟังธรรมได้เป็นพระอนาคามีแล้วแต่เดิมเคยจับมือถือแขนเคยนั่งกินข้าวด้วยกันท่านบอกทำไม่ลงแล้วน้องเลยนางธรรมทินนาก็สงสัยว่าแต่เดิมทำไมเราผิดอะไรก็เลยถามถามก็เลยบอกว่ามีเรื่องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ตอนนี้เรา ไม่มีความสุขกับเรื่องอย่างนั้นแล้วนางธรรมทินนาก็เลยบอกว่าอ้าวผู้ชายเท่านั้นเลยได้ผู้หญิงได้บ้างเปล่าก็บอกว่าได้นะก็ ก, ก็เลยบอกว่าเธออยากไปยังไงล่ะจะมีสามีใหม่ไหมจะอะไรไหมจะจัดการให้ให้เรียบร้อยเลยบอกว่าไม่ละขอบวช ด, ดีกว่าก็จัดแจงงานบวชให้น่นะนะ่อย่างนี้นะครับท่านวิสาขาอุบาสกก็เป็นพระอนาคามีพระนางธรรมทินนาไปบวชบวชได้ไม่นานก็เป็นอรหันต์เลยทีนี้ย เก่งกว่าท่านวิสาขาอุวาสกก็ <c oughs> เลยเกิดปัญหาถกเถียงหรือว่าถามปัญหาธรรมะกันในพระสูตรนะใครชอบอ่านพระสูตรก็ลองไปอ่านดูนะครับจะมีปัญหาของท่านวิสาขาอุวาสกถามพระนางธรรมทินนาเกี่ยวกับปัญหาธรรมะถามไปถามมาถามไปถามมาถามเลยไปเรื่อยนะตอนแรกก็ถามง่ายๆก่อนนะอยู่ในภูมิของตนเองไปเรื่อยๆถึงภูมิมนาคามี ท่านธรรมทินนาก็ยังตอบได้อยู่ต่อไปถามเลยไปอีกท่านางธรรมทินนาก็เลยบอกว่าเนี่ยถามเลยภูมิแล้วเลิกเลิกเลิกอย่างนี้อ้าวอย่างนี้นะนี่พระอริยเจ้าทั้งหลายเนี่ยกาเมสุนาพิคิชเยยะไม่ปรารถนายิ่งในกามทั้งหลายคือไม่ได้มองเห็นว่ากามนั้นทำให้เกิดความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปต้องหามาเยอะๆไม่ใช่อย่างนั้น ท่านก็มีความสุขกับสิ่งที่ท่านมีท่านก็ใช้ชีวิตอยู่ดูแลครอบครัวดูแลพ่อดูแลแม่ดูแลสามีภรรยาตามสมควรนะครับตามสมควรตามอัตภาพของท่านไปบางท่านยากจนบางท่านร่ํารวยก็ว่ากันไปแต่ท่านก็มีความสุขไม่ปรารถนายิ่งนั่นเองฉะนั้นพวกที่ไม่มีความสุขก็คือพวกที่ปรารถนามากเกินไปไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีเท่า น, นั้นเองนี่เราผู้ดุชนทั้งหลายเนี่ย จะตรงข้ามกับท่านตรงนี้แหละก็คือเป็นพวกปรารถนา ม, มากในกามทั้งหลายตัวเองมีเท่านี้ไม่มีความสุขอยู่กับเท่านี้จะเอามาเพิ่มอีกจึงจะมีความสุขได้มาเพิ่มแล้วก็เพิ่มอีกได้มาอีกก็เอาอีกเอาอีกเนี่ยพวกปุติชนทั้งหลายเป็นอย่างนี้ส่วนพระอริยเจ้าไม่เป็นอย่างนี้พระองค์เลยตรัสว่ากามสุนาพิคิฉยะ พระรยาเจ้าทั้งหลายนั้นไม่ปรารถนายิ่งในกามทั้งหลายไม่อยากได้เพิ่มในเรื่องกามทั้งหลายมณส า, านาวิโลสยามีจิตใจที่ผ่องใสอยู่เสมอในเมื่อไม่มีความปรารถนาในด้านกามทั้งหลายในด้านสิ่งต่างๆที่เป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสไปเอาโน่นเอานี้มาใจก็ไม่ถูกฉาบทาไว้ไม่ขุนไม่มัว ใจก็มีความตั้งมั่นเป็นสมาธิมีความสุขความเบิกบานอยู่เสมอไม่ไปทำทุจริตประการต่างๆนะจิตใจที่ดีงามเช่นนั้นก็เป็นฐานที่ตั้งให้เกิดสมาธินะคือจิตใจที่ไม่ขุนมัวจิตใจพิไม่ขุนมัวก็เหมือนน้ำที่ใสสะอาดมองลงไปก็เห็นความจริงการเห็นความจริงก็ด้วยปัญญาฉะนั้นท่านทาเป็นพระญจา้าท่านก็มองทุกอย่างตามที่มันเป็นจริงอยู่เสมอเพียงแต่ว่าปัญญาระดับนี้ ก็ได้เป็นโสตบันปัญญาเพิ่มขึ้นอีกก็สักขาคามีอนาคามีจนถึงเป็นพระอระหันต์อย่างนี้แต่จิตใจของท่านนั้นเหมาะเป็นฐานที่ตั้งของการเกิดสมาธิเกิดความตั้งมั่นอยู่เสมอเพราะว่าจิตใจไม่ขุนมัวไม่เอาสิ่งนั้นสิ่งนี้เข้ามาใส่มากเราทั้งหลายเนี่ยชอบหาความสุขหานั่นหานี่มาใส่มันเลยขุนมัวไปหมดแต่ถ้ามีความสุขอยู่ภายในแล้ว มีความสุขอย่างที่ตัวเองมีที่ท่านเรียกว่าสันโดษน่ะนะมันจะขุนมัวไหมไม่ขุนนะมันก็จะสบายมีความสุขพระรยาเจ้าท่านมีลักษณะจิตใจเป็นอย่างนั้นนะก็จะตรงข้ามกับเราทั้งหลายนะครับกุสโลสัพมาธรร ม, มานานังท่านเป็นผู้ฉลาดในธรรมะทั้งหลายฉลาดในเรื่องธรรมะถ้าพระโสดาบันก็มีปัญญามองเห็นว่า สิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นเกิดขึ้นแล้วล้วนแต่ดับไปทั้งนั้นสุขก็เกิดดับทุกข์ก็เกิดดับเป็นของไม่เที่ยงอันไหนเกิดล้วนแต่ดับไปทั้งนั้นท่านยังไม่เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างธรรมะทั้งหมดนี่นะถ้าเป็นฝ่ายสังขารมันเป็นทุกข์ล้นล้วนยังไม่เห็นนะยังเห็นเป็นของเกิดดับเป็นของเปลี่ยนแปลงอยู่แต่ว่ายังไม่เห็นว่ามันเป็นทุกข์ทั้งหมดแต่ก็เป็นผู้ฉลาดระดับหนึ่งแล้วว่าอันไหนเกิดมันล้วนแต่ดับไปทั้งนั้นแต่ท่านพระยาเจ้า ระดับคนอื่นก็ฉลาดมากขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งฉลาดอย่างสูงสุดก็เป็นพระอระหันต์พระอระหันต์ก็ฉลาดอย่างสูงสุดเก่งอย่างสูงสุดในเรื่องธรรมะทั้งปวงคือเห็นว่าธรรมะฝ่ายสังขารเนี่ยเป็นทุกข์ทั้งหมดเป็นภาระทั้งหมดฉะนั้นขันธ์ทั้งห้านี้เป็นภาระส่วนบุคคล น, นี้คือผู้แบกภาระไปที่ไม่เป็นภาระก็มีสิ่งเดียวเท่านั้นก็คือพระนิพพานนี่ท่านก็ ฉลาดในธรรมะทั้งปวงสมบูรณ์ที่สุดแล้วส่วนพระยเจ้าระดับต่ อ, ตอลงมาล่างๆ ล, ลงมาก็ยังไม่ทั้งหมดนะครับอย่างนี้แต่พระรยาเจ้าทุกๆ ท, ท่านก็ถือว่าเป็นผู้ฉลาดในธรรมะแล้วแหละเพียงแต่ว่ายัางไม่ทั้งหมดเท่านั้นเองนะครับก็ไปตามลําดับนะฉะนั้นกุสโลกุศลความเป็นผู้ฉลาดในธรรมะทั้งปวงนี้เป็นสิ่งสําคัญมากไม่ใช่ฉลาดในเรื่องอื่นนะไม่ใช่เก่งในเรื่องอื่น เก่งในเรื่องธรรมะทั้งปวงธรรมะทั้งปวงนี้มีอยู่สองกลุ่มหลักๆเท่านั้นเองก็คือฝ่ายสังขารกับฝ่ายวิสังขารขอให้ฉลาดในธรรมะฝ่ายสังขารว่าแท้จริงฝ่ายสังขารเนี่ยเป็นสิ่งไม่มีตัวตนอะไรเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันเป็นสิ่งว่างเปล่าจากตัวตนล้วนแต่เป็นทุกข์ทั้งนั้นเนี่ยฝ่ายสังขารฝ่ายวิสังขารก็ไม่มีตัวตนไม่มีเจ้าของเหมือนกันแต่เป็นสุขเนี่ยเท่านั้นเองฉลาด นะครับพระพุทธเจ้าตอนที่ท่านออกสแสวงหาธรรมะท่านก็สแสวงหากุสโลกุโลนี่แหละสแสวงหาความฉลาดในธรรมะทั้งหลายท่านบอกสุภัททะปริภาชกตอนจะปรินิพานว่าเนี่ยเรานี่นะตั้งแต่เด็กมาจนเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ออกบวชเนี่ยแสวงหาอยู่ว่าอะไรเป็นกุศลแสวงหาว่าอะไรเป็นกุศลอะไรคือความฉลาดฉลาดอย่างถึงที่สุดเลย โดยไม่ต้องมีทุกข์ไม่ต้องมีความเครียดความวิตกกังวลไม่ต้องมีเครื่องกีดกัน้นอะไรอีกต่อไปเลยฉลาดอย่างถึงที่สุดเนี่ยหาอยู่เหมือนกันนะหาว่าอะไรเป็นกุศลแล้วก็ได้พบตอนอายุ35นะตอนได้พบนะกุศลอย่างสูงสุดก็อรหัตตมรรคเองนะนะกุศล นะครับนี่พระอริยะเจ้าทั้งหลายนะครับท่านก็เป็นผู้ฉลาดในธรรมะทั้งหลายสโตภิกขุ ป, ป, ปริพเชเป็นผู้มีสติอยู่เสมอภิกขุแล้วก็เป็นภิกษุผู้ที่เห็นภัยในวัตฏะในการวนเวียนไปในภพภูมิต่างๆปริพเชแล้วก็ดําเนินชีวิตอยู่ด้วยการรู้จักปล่อยวางสละโลกไปเรื่อยๆปล่อยไปเรื่อยๆไปเรื่อยจนกระทั่งถึงที่สุดเว้นไปเรื่อยๆ ป ร, ประปเฉยแล้วว่าการดําเนินชีวิตแบบเว้นเว้นจากสิ่งเหล่านั้นเว้นจากความติดข้องความต้องการเว้นจากโลกนะครับนี่นะพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงวิถีชีวิตของพระอริยเจ้ากาเมสุนาภิคัตเฉยะพระอริยเจ้าไม่พึงปรารถนากามทั้งหลายไม่พึงปรารถนาให้ยิ่งหรือว่า ไม่ปรารถนาเกินในกามทั้งหลายมณสานาวิโลสิยาเป็นผู้ที่มีใจไม่ขุนมัวกุสโลสับวธรรมมานังเป็นผู้ฉลาดในธรรมะทั้งปวงสโตเป็นผู้มีสติภิกขุก็เป็นภิกษุแปลว่าผู้ที่เห็นภัยในวัฏฏะในการวนเวียนปริปรเชดำเนินชีวิตอยู่โดยการเห็นโทษเห็นภยัย ของสิ่งต่างๆนะครับในการดาเนินชีวิตอยู่อย่างเห็นโทษเห็นภัยแล้วก็ค่อยๆสละมันออกมานี้จะทำให้เราถอนตัวเองออกมาจากโลกได้ทุกสิ่งทุกอย่างมีโทษหมดนะโทษของมันอารทินวะของมันก็คือทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นของแปรปรวนเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่สามารถบังคับได้อันนี้เป็นโทษของมันถ้าใครยังไม่เห็นโทษอันนี้คนเหล่านั้นก็จะไปจับมันมากเกินไป พอจับมันมากเกินไปก็จะทุกข์มากแล้วก็วนเวียนไปเรื่อยๆนะฉะนั้นเรามีชื่อเสียงก็ให้เห็นโทษของชื่อเสียงโทษของมันคืออะไรคือมันเป็นของแปรปรวนเป็นของไม่คงทนเรามีภรรยาก็ให้เห็นโทษของภรรยามีแฟนก็เห็นโทษของแฟนคือมันไม่เที่ยงถ้าเราเอาชีวิตไปฝากไว้กับมันเป็นไงตอนมันดีมันก็ดีเนาะแต่เราต้องมองเห็นโทษอยู่ด้วยว่าอ๋อมันมีโอกาสเป็เป น, เปนไปได้ที่จะเป็นอย่างนั้น มันไม่เป็นก็ดีแล้วก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามันเป็นซึ่งมันต้องเป็นอยู่แล้วแล้วก็ไม่เกิดความทุกข์นี่เขาเรียกว่าใช้ชีวิตอยู่ด้วยการมองเห็นโทษนะครับทั้นที่เราติดข้องอยู่กับโลกนี้นะเพราะว่าปุถุชนทั้งหลายใช้ชีวิตอยู่แบบหลงหล ง, ล, งลืมลืมมัวเมาประมาทเพลิดเพลินไปมองไม่เห็นโทษเรามองเห็นโทษไหมเงินเงินเงิน มีเขาเขียนไว้ไหมมีเงินจะทำให้ขาดสติกรุมนาใช้อย่างมีสติเขาบอกไหมไม่ได้บอกเลยนะ <c oughs> ถ้าเราไม่ระวังเลยก็เรียบร้อยตลอดนะครับหลงเพลิดเพลินไปใช้น้น่นใช้นี่ก็ได้อะไรก็ได้เห็นมเราก็ต้องเตือนตนเองเอาไว้เออมันมีโทษนะเราไปติดข้องกับมันนี้ไม่ได้ต้องใช้อย่างมีสติมีสิ่งอื่นก็เหมือนกันอะไรก็เหมือนกัน อย่างนี้นะครับที่จะไม่หลงลืมนะก็มีอยู่คือให้มีสติแล้วก็มีปัญญาที่เราฝึกฝนก็เฉพาะคาถาที่หนึ่งนี่แหละสติเตสังนิวาระนังสติเป็นเครื่องกั้นกระแสทั้งหลายเหล่านั้นแล้วก็ฝึกฝนถอดถอนกระแสด้วยปัญญาก็ฝึกฝนเท่านี้แหละ ที่เราฝึกฝนนะแต่ว่าในพระสูตรนี้ก็กล่าวครบถ้วนจริงๆนะครบถ้วนตั้งแต่เริ่มต้นความเข้าใจแบบภาพรวมการฝึกฝนการเห็นพระนิพพานเป็นพระริยเจ้าแล้วก็วิถีชีวิตแบบพระริยเจ้านะทั้งหมดเลยเราก็จะเห็นภาพรวมของความเข้าใจโลกแล้วก็เข้าใจหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาอย่างครบถ้วนทีเดียวในหนึ่งหน้านี้นะนะครับ เราก็ลองไปอ่านทบทวนดูนะถ้าไม่เข้าใจบ้างก็ไม่เป็นไรไม่ต้องเป็นต้องเข้าใจทั้งหมดนะอา้าวหมดเวลาแล้วนะเนี่ยนะครับอนุโมทนาทุกท่านนะครับ